ถาเราจะเทียบขั้งโลกแล้วก็เป็นผู้ต้องขังมาตลอดเวลาเะันคนที่เกิดอยู่ในเรือนจำโตในเรือนจําโตในโตในห้องขังเลยไม่มีวันออกมาดูโลกภายนอกดูแต่ในห้องอยู่่ในห้องขัง ตั้งแต่เล็กจนโตซึ่งไม่ทราบว่าภายนอกเขามีอะไรกันความสุขความทุกข์ก็เห็นกันอยู่เพียงในเพื่อนกรจำไม่ได้ออกมาดูโลกภายนอกเขาว่าเขามีความสุขความสบายเขามีอิสระยังไงบ้างความร่นลรงมันถึงไปมาหาสู่ไปแบบไหนมายังไงอยู่ยังไงกันโลกภายนอกเขาอยู่กันยังไง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 สิ่งนี้มาจากโลกนอกคือคือภายนอกจากเรือนจำเอามาเทียบเทียงกันพอให้ทราบว่านี่เป็นนั่นนั่นเป็นนั้นอันนั่นดีกว่านี้อันนี้ดีกว่านั่นอย่างนี้ไม่มีเพราะไม่มีกลิ่นใด้าไปเกี่ยวข้องมีแต่เรื่องของเรือนจำสุขหรือทุกข์มากน้อยเพียงไรอดอากขาดแคลนลําบากลําบนถูกกดขีบ่บังคับขนาดไหนก่อ เคยเป็นมาอย่างนั้นดังดังตั้งแต่ดั้ง เ, เดิมเลยไม่ทราบจะออกไปไหนจะปลดเปลื้องตนไปได้ยังไงจะออกไปโลกนอกโลกนอกไม่ทราบอยู่ที่ไหนเอเพราเห็นแต่โลกในโลกถูกควบคุมอยู่ตลอดเวลากดขี่ บ, งบังคับขยันตีกันเนี่เพิ่มมณนกันอย่างนั้นอดอดอยากๆยากขาดขาดแทนแทตลอดถึงที่นอนหมอนมุง้งอาหารปัจใจมันอยู่ อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นประเนอลักษณะของนักโทษในเรือนจาทั้งหมดมันก็อยู่กันไปได้ถ้าฉันไม่เคยเห็นลูกนอกรวมเป็นยังไงพอที่จะเข้าไปเทียบเทียงว่าอันใดดีกว่าอันใดอันใดมีสุขกว่าอะไรบ้างพอที่จะได้มีแก่ชิกแก่ใจหยากเสาะแสวงหาอยาง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 ความสุขที่นอกเหนือไปจากจิตที่เป็นอยู่เวลานี้มันคือความสุขอะไรมันเช่นเดียวกับคนที่เกิดอยู่ในเรือนจำมาตั้งแต่เด็กเลยมันทราบว่าโลกนอกเขามีความสุขความรื่นเริง ม, มันเทิงความสะดวกสบายอิสระของเขาเป็นยังไงไม่เคยเห็นเห็นแต่ถูกกดถูกขี่ถูกบังคับทุกนทุกอย่างมีแต่เครื่องบังคับให้รับความลําบากลบาบนอยู่ตลอดเวลา ในจิตใจที่ถูกกิเลสอาสวะทั้หาทางหลายบังคับกดขี่อยู่ตลอดเวลาก็เป็นลักษณะเช่นนั้นจึงไม่ทราบว่าจะออกทางไหนไปอย่างไหโลกนอกเป็นโลกอย่างไงทำท่านประกาศสอนอยู่ตั้งๆมันก็ไม่ค่อยจะสนใจแต่ยังดีที่ผู้สนใจมีบางแห่งบางสถานที่ไม่มีเลยว่าโลกนอกเป็นอย่างไร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 ที่จะให้ความสุขความสบายเป็นอิสระยิ่งกว่าความเป็นอยู่เวลานี้ถ้าจะเทียบเข้าไปอีกเง่หนึ่งก็เหมือนกับว่าเป็ดเล่นน้ำอยู่ใต้ถุนบ้านถุนเดือนจแชจะแช่แชอยู่นั่นที่โซกโปก่งโซงมงมขนาดไหนมันก็พอใจเล่นเพราะไม่เคยเห็นน้ำมหาสมุทรทะเลไม่เคยเห็นน้ำบึงน้ำบ่อที่ไหนคือกว้างขวางตีแบบว่าหัวหางกลางตัวได้อย่างสะดวกสบาย มันเห็นแต่น้ำใต้ถุนบ้านถึงเดือนเนี่ยเขาเทล่างสินล่างของลงไปแล้วก็เปิขังนั้นมันกป็นเล่นนั้นก็สนุกสนานแบบว่าังมันได้ยกสะดวกสบายรื่นลื่นพราเห็นไรพอไม่เคยเห็นน้ำที่กว้างขวางหรือลึกยิ่งกว่านั้นพอที่ให้เกิดความรื่นลื่งมันถึงความสุขความสบาย แต่การไปมาหรือการแบบว่าาหาทางตัวได้รับความพิลกสบายมันไม่เคยเห็นนั้นก็มีความลื่นลึงอยู่กับน้ําใต้ถึงบ้านทุนเดือนเป็นธรรมดาของเป็ดประเทศนี้ส่วนเป็ดที่เขาอยู่ตามลําคลองนั้นเป็นอีกอย่างอมันสนุกสนานเกี่ยวตามหัวน้องคลองบึงเ้าของไล่ไปเที่ยวที่ไหนก็ไปเต็มถนนทนทาง ข้ามานโอ้โหเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นมันเต็มเป็นร้อยๆเป็นพันๆมันเป็นเป็ดอีกประเภทหนึ่งนี่ได้แก่อะไรก็เที่ยวเข้ามาก็น่าจะจิดที่ไม่เคยเห็นความสุขความสบายความรื่นลึิงมันถึงที่เกิดขึ้นจากอาจัพธรรมซึ่งเป็นเช่นเดียวกับเป็ดเล่นน้ำในลำคลองนู่นใน บึงบางต่างๆด้วยความสะดวกสบายเรามีความสุขเกิดความสุขด้วยอำ น, นาจของกิเลสบังคับบัญชาอย่างนี่ขึ้นเหมือนกับเวรกรรมทีนี้เมื่อจิตได้รับการอบรมจากโลกนอกแล้วเนี่ยที่นี่โลกนอกหมายถึงธรรมออกมาจากโลกุตตระธรรมนู้นมาตั้งแต่แดนนิพานลงมาด้วยลําดับลําดับ จนกทั้งถึงมนุษย์โลกท่านที่แจงแสดงไว้หมดขั้นหมดภูมิทีเดียวผู้ที่มีปณิสัยมีความสนใจต่อโลกนอกต่อความสุขที่จะยิ่ยงกว่าไปกว่าความเป็นอยู่เวลานี้มีีม่เมื่อเรายินยังอัดยังทำและอ่านตามตำหักตำลาเกี่ยวกับเรื่องโลกนอกค<ม>ือเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องความปวดเรื่องความทุกข์ความทรมาน ที่ถูกบังคับขับสายอยู่ภายในจิตใจโดยลําดับลําดับแล้วจิตใจก็มีความรื่นเริงมันถึงมีความโภออกพอใจสนใจที่อยากฟังสนใจอยากจะพิจาปฏิบัติเกิดปรากฏผลขึ้นมาโดยลําดับลําดานั่นแหละเริ่มเห็นกระแสแห่งโลกนอกพาดพึงเข้ามาแล้ว้วจิตใจก็มีความดิ้นรนที่จะพยายามแหวกว่ายออกให้พ้นจาก ความกดขี่บังคับซึ่งมีอยู่ภายใ จ, จิตใจอันเกียบเหมือนนักโทษในเรือนจํามันนี้และยิ่งได้ปฏิบตัติทางด้านจิตใจมีความสงบขึ้นมากมาเพียงไรความตะเกียบตะกายความอุตส่าพยายามก็ยิ่งมีมากขึ้นมากขึ้นสติปัญญาก็คอยปรากฏค่อยปรากฏขึ้นมาเห็นโทษแห่งความกดขี่บังคับภายในจิตใจเห็นคุณค่าแห่งธรรมมันเป็นเครื่องปดเครื่องและผลเกิดขึ้นจากการปลดเครื่องได้ได้มากน้อยเพียงไรก็เป็นความ สบายพนาจิตใจเบาอกเบาใจนี่เป็นเครื่องเพิ่มศรัทธาขึ้นโดยลำดับความอุตสาห์ความพยายามความอดความทนมาตามๆกัน ม, มาทีเดียวสติปัญญาที่เคยนอนจมอยู่ในตักแต่ก่อนก็ค่อยฟื้นตัวตื่นขึ้ น, นมาคน้นคิดพิิจพิพพจารณาแม้สิ่งเหล่านี้จะเคยเป็นข่าศึกมานมนานกระทกระเทองกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่เคยสนใจคิดกอดเกิดความตั้งใจขึ้นมา อะไรมากระทบกระเทือนทางๆาหจูจมูกทิ้งกายใจซึ่งแต่ก่อนก็เหมือนคนตายถือเป็นธรรมธรรมดาธรรมดาไม่สะดุ้งไม่สะเทือนสติปัญญาเพราะได้ทิดโค้นบางเลยแต่เมื่อเข้าสู่กระแสแห่งธรรมเนรับการอบรมในรซื่อสติปัญญาเห็นทั้งโทษเห็นทั้งคุณประจักษ์ใจซึ่งเป็นของมีอยู่ด้วยกันทั้งโทษทั้งคุณภายในใจนี้แล้วจิตใจก็มีความคล่องแคล่วที่จะคิดพินิจพิจารณา เกิดความอาจหารหุดคน้นเห็นทั้งโทษพยายามแก้เห็นทั้งคุณพยายามแบบว่ายพยายามส่งเสริมไปโดยลำดับลาดับนี่เรียกว่าจิต ค, ค่อยปลดเรื่องจากสิ่งกดขี่บังคับหรือจากดวนจําออกได้โดยลำดับลาดับยิ่งมองเห็นโลกนอกอีกด้วยแหลทิน โลกนอกเป็นโลกยังไงเหมือนดวงจําที่อยู่เวลานี้ไหมเนี่ยตาก็ดึบพอมองเห็นโลกนอกเขาเขาเป็นอยู่ยังไงเขาไปมายังไงโลกนอกเราเป็นอยู่ยังไงภายในดวงจัมความเป็นอยู่ภายในกิเลสครอบงํานี้เป็นยังไงควางที่เบาบางกิเลสออกไปโดยลําดับลําดับจิตใจมีความรู้สึกยังไงบ้างนี่มันเทียบกันโดยลําดับลำดั บ, ดบทีนี้มีโลกนอกตรงไหนเข้าเทียบกันนด้ทีนี่คือความสุขความสมารถที่เกิดขึ้นจาก การแก้ไขกิเลสออกได้เดิมดับก็ปรากฏความวทุกข์ที่ยกิเลสยังมีบีบคั้นอยู่ก็ทราบทะครับเห็นอยู่โทษพยายามแก้ไขยตลอดเวลาไม่ลดละความภากเพียรนี่ละ่ะสติปัญญาศรัทธาความเพียรเริ่มหมุนตัวตอนที่เห็นโลกเห็นทั้งโลกนอกมากน้อยและเห็นโทษทั้งโลกในที่ถูกกดขี่บังคับมาเรื่อยๆแต่ก่อนไม่ทราบจะ อ, อะไรมาเทียบมันไม่เห็นไม่รู้ เกิดขึ้นมาก็จมอยู่ในความทุกข์ความทรมานอย่างนี้ความขึ้นชื่อว่าความสุขนั้นไม่ปรากฏจากโลกนอกเลยนี่คือไม่ปรากฏจากอัตตาธรรมเลยปรากฏก็ปรากฏแบบความสุขที่ความทุกข์รออยู่ฉากหลังที่คอยจะมาหยียบย่าทําลายหรือล้างความสุขนั้นให้หายไปโดยลําดับนี้ทีนี้เราได้เห็นความสุขภายนอกก็เห็นโลกจากโลกนอกก็เห็นความทุกข์ภายในก็เห็นความสุข พิพากนาเนจำก็เห็นคือความสุขที่มีที่มีอยู่ที่อยู่ใตาอํนานาจของกิเตเลสก็เห็นความทุกข์ที่อยู่ทต้อำนาจของกิเตเลสก็เห็นรู้โดยสติปัญญาของตนเองประจักษ์กับใจเห็นความสุขที่เกิดขึ้นจากโลกนอกเพื่อได้แก่กระแสธรรมที่ทราบซึ่งขรรยายจิตใจก็เห็นนี่พอเป็นข้อเทียบเียงกันไปโดยลํำดับลํำดับการ ปฏิบัติโดยลําดับเห็นโลกนอกโลกในทั้งคุณและโทษเอามาประกอบเอามาเทียบเคียมกันโดยลําดับยิ่งจะเกิดความภาคเพียรความอดความทนขึ้นโดยลําดับลําดับจนกระทั่งอะไรผ่านเข้ามาขึ้นชื่อว่าเรื่องของกิเลสซึ่งเคยกดขี่บงังคับจิตใจแล้วต้องต่อสู้กันทันทีทันทีแก้ไขปวดเปื้อนหรือถอนกันโดยลําดับ ตื่อำ น, นาจแถ่งสติปัญญามีความเพียนเป็นเครื่องโู้มหลังจิตใจก็หมุนไปเองเมื่อความเห็นโทษมีมากความเห็นคุณมีมากความอยากรู้อยากเห็นอยากหลุดพ้นมีมากเพียงไรเรื่องความภาพเพียงก็ต้องมีมากความอดความทนตามตามกันมาเพราะอยู่ในใจดวงเดียวกันเห็นโทษก็เห็นใจทั้งดวงนั่นละ่ะใจทั้งดวงมันผู้เห็นโทษเห็นคุณก็ใจทั้งดวงมันผู้เห็นที่ การที่พยายามแบบว่าด้วยยิธีใดตามความสามารถของตนก็เป็นเรื่องของใจทั้งดวงจะเป็นผู้ทําความพยายามตบเครื่องตนเองนั่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เป็นอาการของจิตเป็นเครื่องสนับสนุนจิตกลิ่มาพร้อมๆกันเนกิศรัทธาความเชื่อต่อมรต่อผลความเชื่อต่อแดน้นทุกข์ระยะความภาคเพียรที่จะทําตัวให้ผุดพ้นไปโดยลาดับขันติความอดความทนเพื่อบึกบืนให้ผ่านพ้นไปได้ก็มาเ ด, ดิมดับ มาพร้อมๆกันเลยสติปัญญาที่ใครควรไปตามแนวทางอันไนถูกอันไนผิดก็มาตามๆกันมานี่ถ้าเราจะพูดตามหลักธรรมที่ทาา่านกล่าวไว้ก็เรียกว่ามรรคสมังฆีค่อยรวมตัวเข้ามาอยู่ในจิตแห่งจิต ด, ดวงเดียวนี้อะไรก็รวมเข้ามาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจสัมมากรรมโตตลอดสัมม า, า, าสมาธิรวมอยู่ในจิต ด, ดวงเดียวนี้ทั้งหมด ไม่ไปที่อื่นสมารกรรมันตาก็มีแต่เดินจมกลมนั่งสมาธิข้อแล้วทิ้ออกงกรรมันตางานชอบในทางอื่นมันผ่านมาโดยลําดับพอเข้าถึงงานอันละเอียดรวมเข้ามาจิตเป็นมรรคสมังคีคือมรรครวมตัวเข้ามาสู่จิต ด, ดวงเดียวสมาธิตีสมาสังโภดได้แก่เรื่องของปัญญาค้นคว้า อ, อยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องสิ่งต่างๆที่ปรากฏสัมผัสเกิดขึ้นระดับไปทั้งดีทั้งชั่ว ทั้งอดีตอนาคตที่เขามาปรากฏพนาจิตใจสติปัญญาจะเป็นผู้ฟาดฟันหันแหลกไปโดยลาดับไม่รอให้เสียดิลั่มเวลานะธรรมากรรมันตะ ก, ก็คือนั่งภาวนาเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิในท่าต่างๆนี่ยกรรมันตะ ก, การงานชอบที่เกี่ยวกับทางกายก็ทำอย่างนี้เกี่ยวกับทางใจก็วิริยะคือความภาคเพียรธรรมาอาชีวะก็พูดตั้งแต่เรื่องอัดเรื่องทำ สนทนาการก็มีแต่สันเลยถาทได้แก่ทำเป็นเครื่องขัดเกลารือเป็นเครื่องล้างทำล้างล้างกิเลสอาชวาออกพันธกิจใจแเราจะทำด้วยวิธีใดกิเลสถึงจะออกไปหมดไปโดยสิ้นเชิงนี่สรามวาจาสมารมมกรรมตะธรรมาอาชีวะอารมณ์อันใดที่เป็นค่าศึกต่อจิตเดียกว่าเลี้ยงขี้ผิด อ, อารมณ์เป็นข่าศึกแต่จิตจิตต้องมีความมอมมอง จิตมีความมัวหมองมาใช่ของดีต้องเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในจิตใจมากน้อยตามส่วนแห่งจิตที่มีความละเอียดขึ้นไปโดยลำดับอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นยาพิษเลี้ยงที่ไม่ชอบแก้ขายทันทีทันทีอารมณ์ของใจที่เป็นไปเพื่อความรุ่นเริงเป็นไปเพื่อความขูดความสบายนั่นและคืออารมณ์ที่เหมาะสมกับจิตมีเป็นอาหารที่เหมาะสมเหมือนเลี้ยงที่ชอบเลี้ยงเข้ามาตรงนี้คือสัมมาวายมะเพียนชอบเพียนเพียนอะไร นี่เราก็ทราบท่านบอกเพียงในที่สีสถานอะไรทันมาพยายามละาบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปเนี่ยบาปคืออะไรก็คือความสร้าหมองความทุกข์นั่นเองละบาปเยอะพยายามทั้งรวองระวังจะให้บาปเกิดขึ้นก่อนระวังกิตที่มันจะคิดเชี่ยวกร้างเอาเรื่องความทุกข์ความทรมานเข้ามาสู่ใจนั่นเองเพราะความคิดความปรุงนั้นมันเป็นเรื่องของสมุทยัยพยายามระมัดระวงะังรักษาแล้วจริงได้ที่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 ในอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาอันใดที่เห็นว่าไม่ชอบทำจิตมันจะสลับทันที ท, ทัน ท, ทีคือปัญญานั้นแหละมันสลับปัด ท, ทิทท้ง ท, ท, ท, ท, ท, ทันทีกันติเนี่ยสมาสมาธิอา้าวมันมั่นอยู่ตลอดเวลานั่นระการหนึ่งในขณะที่เราจะเข้าสมาธิให้เป็นการพักผ่อนจิตเพื่อเป็นกําลังของปัญญาในการค้นคว้าต่อไปแล้วก็พักเสียพักในสมาธิคือเข้าสู่ความสงบได้แกหยุดการตุงการแต่งการคิดคน้นคว้าทางด้านปัญญาโดยประการทั้งปวง ให้จิตสงบตัวเข้ามาอยู่นิ่งๆอยู่อย่างสบายไม่ต้องคิดต้องปรุงอะไรซึ่งเป็นเรื่องของงานถ้าจิตให้สบายโดยความมีอารมณ์เดียวหากว่าจิตมันมีความเพลิดเพลินต่อการพิจารณาไปมากมายกะกองจะยับยั้งไว้ไม่ได้เราเอาพุโทโธเป็นเครื่องสุดล่าเข้ามาให้จิตอยู่กับพุโทโธคําบริกรรมกับพุโทโธนี้แม้จะเป็นความปรุงก็ตามแต่เป็นความปรุงอยู่ในจุดเดียวความปรุงในจุดเดียวนั้นเป็นเหตุที่จะให้จิตมีความสงบ ตัวได้ด้วยคําปรุงอันนั้นเช่นคําว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธหากว่าจิตมันจะแยกออกไปทํางานเพราะความเพลิดเพลินในงานงานยังไม่เสร็จเราก็ให้พยายามข้ากําหนดคําบริกรรมีหยิบเข้าไปไม่ยอมให้จิตนี้ออกไปทํางานเือจิตขั้นที่เพลินต่องา น, นมันมีเผลอไม่ได้แต่จะว่าเผลอมันก็พูดยากรามือไม่ได้หวางั้นปุ่นยังไงเรารามือไม่ได้มันจะต้องโดดไปหางานเอาตอนนี้เราต้องให้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 การปฏิบัติเพื่อความราบรื่นของใจเราจะเห็นว่าสมาธิอยู่เฉยๆไม่เกิดประโยชน์ไม่ถูกถ้าผู้ติดสมาธิไม่อยากจะออกทํางานเลยดัยงนั้นเห็นว่าถูกต้องการตหมิสมาธิเพื่อให้ผู้นั้นได้ถอนตัวออกมาทํางานแต่ถ้าจิตมีความเพลิดเพลินในงานนะเรื่องของสมาธิก็มีความจําเป็นในด้านหนึ่งในเวลาหนึ่งจนไดน้คนเราทํางานไม่พักผ่อนนอนหลับบ้างเลยเงียบทางานต่อไปไม่ได้อืม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 อารมณ์อันเก่านั่นแหละปัญญาอันเก่านั่นแหละผู้บำเพ็ญก็ผู้เก่านั่นแหละแต่กำหนดลงไปนี่มันขาดทะลุไปเลยข้าวมีอเหมือน ก, นกันกับคนที่มาพักผ่อนนอนหลับหรืรับทานอาหารให้สบายรับมีดรับพราให้เรียบร้อยแล้วไปฟันไม้ท่อนนั่นแหละคนคนนั้นแหละมีดเรียบนั่นแหละแต่มันก็ขาดได้อย่างง่ายดายเพราะมีดก็แหลมมีดก็คมคนก็มีกำลังนี่อารมณ์ก็อารมณ์อันนั้นแหละ ปัญญาก็ปัญญาันนั้นแหละแต่ได้รับหินแล้วกําลังของจิตก็มีแล้วเป็นเครื่องหนุนปัญญาจึงแทงทะปปลุไปได้อย่างรวดเร็วผิดกับเราไม่ทักในสมาธิเป็นไหนๆเพราะฉะนั้นเรื่องของสมาธิกับเรื่องปัญญาจิงเป็นทำเกี่ยวเนื่องกันไปเดิมดับเป็นแต่เพียงว่าทํางานในวาระต่างกันเท่านั้นวาระนี้จะทําสมาธิก็ทําเสียวาระนี้จะพิจารณาทางด้านปัญญาให้เต็มอัต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 ให้เป็นชิ้นเป็นอันนี่เหมาะสมถูกต้องที่ว่าสัมมาสมาธิก็เป็นอย่างนี้เองในเรื่องของกิเลสที่ว่ามันเป็นเพื่อนกดทวงจิตใจจิตทั้งเรานี้เหมือนเป็นนักโทษกิเลสอาชาว่าทั้งหลายครอบงําจิจตอยู่ตลอดเวลาบังคับทรมานจิตใจมาตลอดตั้งแต่เกิดมานี่เมื่อปัญญาได้ถอดถอนออกโดยลาดับแล้วมันก็มีความสว่างสวยขึ้นมา ความบาบางของกิตก็เป็นคุณอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยสิ่งที่ก่อสองออได้เราก็เห็นคุณค่าแห่งอันนี้เราพิจารณาไปเรื่อยๆอะไรรวมแล้วกิเลสอยู่ที่ไหนภพชาติอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่ใจดวงเดียวทั้งหมดนอกั้นเป็นกิ่งก้านสาขาเช่นออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางเลี้ยทางกายออกไปนั้นต้นของมันจริงอยู่ที่ใจเวลาเราพิจารณาสิ่ง น, นั้นรอกเข้ามารอกเข้ามาแล้วจะเข้ามาสู่ใน จิตดวงเดียวนี้ทั้งหมดอมวัตตะวนไม่ได้แก่อะไรได้แก่จิตดวงเดียวนี้เป็นผู้หมุนเป็นผู้เวียนเป็นผู้ท้ายเกิดให้การมีเท่านี้เพราะอะไรเพราะเชื่อมันมีอยู่ภายในเมื่อไรชาติปปัญญาพิจารณาค้นคว้าหเห็นชัดเจนลงตัดออกมาเข้าตัดเข้ามาเป็นลําดับลําดับลำดั บ, นดบจนกระทั่งถึงเข้าถึงจิตซึ่งเป็นตัวการน้าคัญมีอจิชาเป็นสิ่งส้ำคันมากที่อยู่เป็นเชื่อวัตตะอยู่ภายใน จ, ใจิตใจ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 พิจารณาเอาอันนั้นแหะเป็นเครื่องพิจารณาเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาอ้าวอันนี้จะสลายลงไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือจนกระทั่งผู้รู้ไม่ได้คิดหายจบแด้วกันก็ให้รู้สักทีเราพิจารณาเพื่อรู้หาเพื่อรู้ความจริงให้เห็นเพื่อเพื่อเห็นความจริงเพื่อรู้ความจริงถ้ามันลงถึงเหตุถึงผลถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะคิบหายลงไปให้คิบหายแม้ที่สุดผู้รู้ที่กําลังพิจารณาอันี้จะคิดหายไปตามเขาก็ให้รู้อ่ะ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 มีมากมูลขึ้นมาได้และทําให้ลดน้อยลงไปก็ได้ทําให้หมดชิ้นไปก็ได้เพราะเป็นเของสมมติเน่ยแต่จิตล้นล้วนซึ่งเป็นธรรมชาติเรียกว่าวิมตุตถ้าลุบริสุทธิ์แล้วเรียกว่าวิมตุตถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็เป็นสมมตุติเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายเพราะสิ่งสมมตินั้นแทรกตัวของมันอยู่เมื่อได้แก้นี้ออกปจนหมดแล้วธรรมชาติที่เป็นวิ ม, มุตตนี่แหละเป็นธรรมชาติที่จะทําอะไรไม่ต่อไปไม่น่าอีกก็ไม่ทราบจะทําอะไรให้เป็นไปได้อีก พราะมันพ้นวิสัยที่จธทําแล้ววิสัยที่ทําก็มีแต่เรื่องขอส ม, มุติท่านั้นเมื่อแก้สมมุดออกจากใจหมืดแล้วมันก็หมดวิสัยแล้วอะไรคิบหายที่นี่ทุกก็ดับไปเพราะสมมุทัยดับไปไมโรอดความดับทุกก็ดับไปมัดเครื่องประหารสมุทัยก็ดับไป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 เมื่อถึงตัวกินนี้แล้วสัจธรรมทั้งสี่ก็หมดความหมายไปเองโดยไม่ต้องไปชำระไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องไปปลอบเพื่องเช่นปัญญาเหล่านี้เวลานี้เราทางานเต็มที่แล้วปัญญาเราปล่อยได้ไม่ต้องไปตั้งกํำหนดไม่ต้องไปมีกําหนดกฎเกณฑ์สติก็ดีปัญญาก็ดีซึ่งเป็นเครื่องลบสิ่งเหนี้เพราะค่าสึกสงครามมันหมดไปแล้วเรื่องนี้มันก็หมดปัญหามันไปเองนานอะไรที่เหลืออยู่ก็คือความมโนสุขนั่นแหละพระพุทธเจ้าที่นําไปสอนโลก ประกาศธรรมของโลกเอาจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้แหละไปสอนสอนโลกาศาสนธรรมออกจากธรรมชาติอันนี้ต้องและอุบายแหงการสอนต้องสอนทั้งเรื่องของทุกข์ของสมุทยัยของนิโรธของมรรคเพราะอาการอันนั้นเป็นอาการเกี่ยวข้องกับจุดดวงนี้ให้รู้วิธีแก้ไขรู้วิธีดับรู้วิธีบําเพ็ญทุกกลิ่นทุกอย่างจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางอันไม่ต้องพูดอะไรต่อไปอีกแล้วได้แต่ความมรยสุทธิ์ นี่ออกโลกนอกแล้วทีนีออกจากเรือนจำแล้วไปสู่โลกนอกนอกโลกอิสักเสรีอโลกไม่ต้องถูกอะไรคุมขังเลยแล้วโลกนี้ไม่มีใครอยากไปกันเพราะไม่เคยเห็นนี่โลกอันนี้เป็นโลกสําคัญโลกุตละที่เป็นแดนสูงกว่าโลกแต่เราเทียบว่าโลกนอกนอกจากสมมุติทั้งหมด เราเรียกว่าโลกไปงั้นน่ะเพราะโลกมันมีสมมติว่า่าไปางั้นมั น, นพลิกันหนามันออกจากที่คุมขังเนื่สิเกิดก็เกิดในที่คุมขังอยู่ก็อยู่ที่คุมขังตายก็ในที่คุมขังอยู่นั่นมไม่ได้ตายนอกจากเดือนจำปอติมันนอก เ, อเดือนจํารติแต่แสนสบายแสนสบายดังพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านท่านก็เกิดในเดือนจาเหมือนกันแต่ท่าน ออกไปตายนอกเดินจำออกไปตายนอกโลกไม่ได้ตายอยู่ในโลกกดขี่บังคับนี้ว้นที่กันน า, าละการแสดงธรรมโคดเห็นว่าสมควรข อ, อยุิ